เพื่อเราต่ปฏิบัติดัดกายดัดวาจาของเราดัดใจของเราให้เข้าสู่คารองของธรรมการงานทางนอกปล่อยวางไว้ไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวนี้เราจะมาดูงานภายในคือการประพฤติปฏิบัติดูใจของเราทาใจของเราให้มันนิ่ง ตงแลกกับแต่งนั่งแอคท์สมาธิที่เราเคยนั่งกันเนี่ยก็แต่งลมให้มันสบายสบายก่อนแล้วจึงไปกําหนดทำบริกรรมกำกับใจของเราให้ใจมันนิ่งให้ใจมันสงบเมื่อใจมันนิ่งใจมันสงบใจของเราก็มีกําลัง เมื่อใจมีกําลังเราก็จะกําหนดพินิจพิจารณาทำบทไหนหรือว่าส่วนไหนของร่างกายที่เราไปยึดเราไปปรุงไปแต่งไปฮองไปเห็นเราก็จะพิจิญ พ, พิจารณาให้เห็นเป็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเนี่ยนี้เรายังไม่เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขายังหลงอยู่ ยังลืมอยู่ยังไปยึดอยู่ยังอันนั้นก็ค้องกลัวอันนี้ก็ค้องกูก็เลยแยกออกยังออกไม่ได้ตัดเวลาหมดลมฟานเราก็เอาไปไม่ได้จริงเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือให้เราสร้างคุณงาความดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม อันจึงปรามาณปรมาณเหมือนว่ า, าสมบัติกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติอันนี้เราสมบัติใหญ่เราจะสร้างสมบัติภายนอกอาศัยสมบัติอันนี้แหละ <c oughs> มาประพฤติปฏิบัติสร้างเอาให้เราพิิจพิจารณาดูที่เราเกิดขึ้นมาก็ไม่มีอะไร มา่าแต่ตัวเปลา่ามีแต่บุญกุศลนั่นแหละที่ผาให้เรามาเกิดคุณงามความดีผู้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องพรอเปี่ยพร้อมด้วยธรรมคือฮิริความละอายโอตปาความจริงกลัวก็เรียกว่าเทวธรรมแล้วก็กรรมบทสิบจึงจะสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่สามารถจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไปเกิดเป็นอะไรก็ไปเกิดเป็นสัตว์โดยสารเป็นเ ป, นเปนรตหรืออะไไปนั่นแหละนั่นน่ะมันมาไม่ได้เพราะว่าบุญยังไม่พร้อมเมื่อเราบุญพร้อมว <c oughs> าสนาเราก็พร้อมเออเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติถึงเวลาเราก็มานั่งภาวนา เ, ออเพื่อชำระ <c oughs> ใจของเราให้มันขาวสะอาดปลอดจากมลทินแต่เรายังไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นมลทินของใจเพราะขาดการพินิดพิจารณาขาดการน้อมและลึกขาดสตินั่นแหละตามหลักเนฉะนั้นเราพยายามสร้างให้สติมันมากแต่มันรู้อยู่ถ้ามันสติมันมาก มันรู้อยู่ตลอดเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะเป็นพืชไปเลยนั่นน่ะเรียกว่าตโนมัติมันเกิดขึ้นแล้วความชั่อมันจะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้มีแต่จะตั้งใจฝติปฏิบัติสร้างนงางความดีให้มันเกิดขึ้นที่ใจแต่เดี๋ยวนี้เรามันยังถูยังไชกันอยู่เออยังลงลุกคุกความอยู่ดัดให้มันเข้ามันก็ไม่เข้า จะพาให้มันนั่งมันก็ไม่อยากนั่งมันความขี้เกียจขี้ค้านของเรานั่นแหละมันจะทะเลทรายไปตามการ ม, มาคุณ5ะลูกเสียงกินรสโปรตปะแต่เราไม่รู้ว่าเราไปติดสิ่งเหล่านั้นเออของสิ่งเหล่านั้นเขามีอยู่ประจำโลกเออแต่เราไปติดเขาเออไปหลงเขาก็เลยลืมลืม พอไปหลงสิ่งเหล่านี้เล้วทำให้ใจของเราเศร้ามองขุนมัวเออใจของเราไม่สะอาดเลยไม่มีความสงบใจไม่นิ่งวิ่งไปตามรูปบ้างวิ่งไปตามเสียงบ้างวิ่งไปตามกลิ่นบ้างวิ่งไปตามรสบ้างวิ่งไปตามโพธิภพคือสิ่งที่ถูกต้องด้วยกายคือของอ่อนของนุ่มอะไรนี่แหละนี่หละเรามาติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ มบบนี้ถึงเวลาเราก็จะมากำหนดพินิจพิจารณายยแยกแยะออให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจีถ้าสิ่งเหล่านี้มันมากเข้ามากเข้ามันก็ททำใจของเราให้เศร้าหมองขุนมัวมันขุนมัวไปวันละเล็กวันละน้อยนั่นแหละท่านจึงว่าใจของมนุษย์นี่เกิดขึ้นมาครั้งแรกเป็นใจประพัดสอนขาวสะอาดเหมือนกับผ้าผ้าขาวที่ป่าตะจากบนหิน ที่มันเศร้าหมองนั้นก็เพราะทุลีเออคือกิอเลสอุปกิเลสทั้งหลายมันจรเข้ามาทับถมเข้ามาวันละเล็กวันละน้อยเออเข้ามาทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวินาทีก็เลยเราไม่รู้เพราะเราขาดการภาวนาขาดการกําหนดเออว่าสิ่งเหล่านีนเน่เป็ น, ปนมันเป็นข้าสิเแก่ใจของเราเออเราก็เลยไม่เข้าใจ เออเราก็ว่าเป็นสิ่งที่มันดีอยู่ก็เพราะใจของเรามันอยู่ระดับนั้นมันก็เลยไประดับนั้นจะให้มันสูงขึ้นไปกว่านั้นที่พระพุทธเจ้าว่ามันเป็นค่าศึกจาใจของเราเราก็ไม่สามารถจ ะ, จะเกียวกสากายออกได้นั่นละ่ะพานั้นจึงให้พยายามกำหนดพินิษพิจารณาการภาวนานวิตกวิจารตึกตองให้เห็น ตามความเป็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงถ้าเราติกต้องกําหนดพิณิพิจารณาอนุโลมปฏิโลมอยู่เรื่อยๆเอความปีติมันก็จะเกิดขึ้นเออความสุขมันก็จะเกิดขึ้นความสงบมันก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าอารมณ์เดียวหรือเอว่าเอากขัาตานั่นแหละนั่นหลักมันจะเป็นของมันเองไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปปรารถนา ให้เราตั้งใจประพฏิบัติให้มันเข้ากับกันรองกองทำให้มันเข้ากับตามแผนตามแบบตามแผนเนี่ยถ้ามันเข้าตามแบบตามแผนแล้วมันต้องเป็นไปเป็นไปทุกคนนั่นแหละมันจะช้าหรือมันจะเร็วมันอยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความอดทนของเราถ้าเรามีอความอดทนอดกั้นออมีความวิริยะ ไม่มีความขี้เกียจที่ข้านมีความทยันหมั่นเพียรทามันก็เกิดขึ้นเร็วรู้เร็วเห็นได้เร็วเพราะว่าทำนี่มันมีอยู่เดี๋ยวนี้มัน <c oughs> ที่ไม่เห็นก็อะไรเพราะมันมีสิ่งอันหนึ่งนั้นแหละมาปกกลุมมาปิดมันอยู่เออมันเราเราเราอยู่ใต้อ น, นาตของมันเออถ้าพูด ถ้าพูดนี้มันก็เหมือนกับเป็นเป็นเรื่องเรื่องไปนั่นแหละมันก็อยู่ในใจของเรานี่แหละเพราะว่าเราขาดการพินิจพิจารณาเออถ้าเรากําหนดอยู่เรื่อยๆพินิจพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้จะเห็นจะเห็นขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละต่างคนต่างมีใจมีจิตมีมโนเออสามารถฝ่าฟื้นปฏิบัติได้ทุกคนนั่นแหละเออ มันอยู่ที่ความขยันของเราถ้าเราขี้เกียจมันก็ได้แค่แค่ความขี้เกียจนั่นแหละวันไหนก็ได้แค่นั้นเออเลยไม่ก้าวหน้าสักทีเออที่พูดนะก็พูดให้ฟังออจะเอาหรือไม่เอามันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเออโดยมากคนเราเน่นะมันต้องใช้วิธีบังคับบ้างมันจึงจะเป็นไปเพราะเราไม่ได้เดินตามคำลองพองธรรมเออ ไม่ได้เดินตามแบบตามแผนเพราะมันมีระเบียบมีแบบมีแผนระเบียบหรือขนบธรรมเนียมกับไม้ถึงวิในนั่นแหละหรือศีลนั่นแหละนั่นละเพราะเราไม่ได้เดินตามนั้นถ้าเราเดินตามนั้นมันก็ไม่พลาดเออไม่ไม่ว่าจะเป็นขลือหัดจะเป็นนักบวชเออนั่นเดี๋ะนั้นท่านจึงสมมติขึ้นอย่างนักบวชนี้ท่านเก่า นักบวชก็ว่ามันก็ชิดก็ว่ า, วาเ อ, อสมณะก็ว่าพิสุก็ว่า น, นั่นสันสมมุติไว้หลายอย่างเออแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าสมณะแปลว่าผู้สงบนั่นพิสุแปลว่าผู้เห็นภัยบัดนี้เราเห็นแล้วหรือยังนั่นภัยมันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันคุกคามอยู่ทุกวันทุกวันนั่นเราเห็นหรือยังนั่นแ่ะ การประพฤติปฏิบัติให้เราน้อมมาพิิจพิจารณาออถ้าเราไม่น้อมมาพินิจพิจารณาเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็เพลินไปตามสัญญาอารมณ์ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามผดผาผ่าไปอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นข่าศึกแต่เราก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นข้าศึกเลยเป็นมิตรกับมันไปเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้ใจของเราเศร้าหมอง เศมองไปวันนั้นบ้างวันนี้บ้างไม่พยายามประพฤติปฏิบัติไม่พยายามขยันหมั่นเพียรมันก็เลยเศร้าไปทุกวันทุกวันเออมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่พยายามประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันอยู่แค่นั้นเออใจก็เลยไม่เบิกบานท่านว่าพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ได้ยินแต่ชื่อเฉยๆใจของเรายังไม่เบิกบานเราก็ไม่รู้เออท่านว่า ใจนี้เป็นเป็นเป็นแหล่งที่ผิดความรู้นะเออความรู้ทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นที่ใจท่านว่าพุทธโพผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกําหนดทำบริกรรมเฉยๆคือเอาเป็นเครื่องเครื่องให้มันแนบกับใจของเรานั่นแหละเพราอใจของเรามันกระโดดโล ด, ดเต้นมันวิ่งไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างคําว่าข้างหน้าข้างหลังการหมายถึงอดีตอนาคตนั่นแหละเออมัน อย่าง อ, อาณอดีตที่ผ่านมาสิ่งไหนที่ชอบใจมันก็ติดไปเสียภาวะวงไปเสียเกิดเสื้อดมเสื้อดายก็มันก็ไปไปอยู่ที่ไหนก็นอยู่ที่ใจนั่นแหละนั่นแหละฉะนั้นการประพปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้เว้นออกจากทางเ อ, อ่อทางสุตโองของพางนั้นแ่ะคือการมสุขัาริการโยกอัตติกิลมัานุโยก คือการประพฤติปฏิบัตินี่แหละถ้าวันไหนเราประพฤติปฏิบัติจิตใจมันเบิกบานจิตใจมันล่าเริงนั่นแหละก็เรียกว่ากา r m a sukhalika นุโยกแล้วใจของเรานั้นนะเอยังไปติดอยู่นั่นเอายังไม่เป็นกลางวันไหนนั่งไปนั่งไปรู้สึกว่าจิตใจมันงุนิงเออเศร้ามองขุนมัว อุดอัดขึ้นมานั่นแหละเรียก อ, อาตากีรมะฐานุโยคแล้วนั่ น, น่ัแหละทํําทาใจให้มันขุนมัวมันไม่ใช่ อ, อทางสายกลางไม่ใช่มัชิมาไม่ใช่ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าท่านสัตว้ายออจะนั้นเราก็กาหนดพินิจพิจารณาดูแต่ละวินาทีแต่ละวันการประพปฏิบัติของเราเ อ, อที่ผ่านผ่านมานั้นมันเป็นอย่างไร แต่ที่อดีตผ่านมานั้นเราจะไปอย่าไปพระวงถึงให้อปัจจุบันเ อ, อ่ออปัจจุบั น, นธรรมสิ่งที่อดีตที่มันผ่านมาแล้วมันก็เป็นเรื่องของอดีตอนาคตที่ยังไม่ถึงเราจะอจาไปพระวงมันอย่างอนาคตถ้าเรานั่งมันกับปุงุงกับแต่งไปเสียกลัวจะเจ็บจะไข้จะป่วยจะอะไรมันปรุงนั่นนะเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องคนมายาของกิเลส มันกลัวเรานีจะ่ะหนีจากอำนาจของมันมันก็พยายามปรุงพยายามแต่งไปนั่นแหละเนี่ยก็อันนั่นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำงานนั่นก็ยังไม่ได้แต่าทาอะไรมันก็ปรุงกะแต่งของมันอยู่นั่นแหละเสียเวลาเวลามันก็ว่าของมันไปเนี่ยแต่เวลาเราเดินไปกับมันนั่ะเวลามันลากจูงไปนั่นเราไม่นึกว่าจะเสียเวลาเวลาเลยไม่แต่เสียแต่เวลา <c oughs> เสียกัทั้งชีวิตอายุข แก่ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าขาดการพินิจพิจารณาขาดสติปัญญาของเรานั่นแหละเอสนั้นท่านจุ้งแม่พยายามสร้างสติให้มันมาก <c oughs> สร้างปัญญาให้มันมากให้มันทันคนอุบายของเขาถ้าเรา <c oughs> สร้างสติปัญญามันมากแล้วจิ่งเลานั่นมันเกิดขึ้นเราก็รู้ทันคนอุบายของเขาเราก็ตั้งหน้าตั้งาตาประพฤติปฏิบัติ เพราเราได้บวชก็ามาในเพศบรรพชิตออตั้งใจมาบวชการบวชไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะได้บุญเฉยๆเลยนะเออต้องประพฤติปฏิบัติเอาจึงจะได้บุญยิ่งบวชนานก็ยิ่งถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้ภาวนาให้ใจมันเบิกบานมันก็อยู่ไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นเพราะมันร้อนผ้าเหลือง เออผ้าเหลืองนี่จะมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นบุญเออเห็นหมันอยู่ในลานเขานั่นเพามีแต่ร่ำรวยแต่แม่แต่แม่จะมาร่ํารวยแล้วก็มาทับผมใจอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูเป็นอย่างนั้นเออถ้าเราออกมาพิจิตรณาถ้าเราออกมาพิจารณาเมื่อเราได้ออกจากฆราวาสมาบวชแล้วแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ด, ดูหน้าที่ของเราเออ ว่าเรามีหน้าที่อะไรเออเพราะเวลาของเรามันมีมากเออแต่เวลาจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยคนมายาของกิเลสมันบอกว่าไม่มีเวลาอ้างนั่นอ้างนี่อันนั่นแหละคนมายาของกิเลสมันหลอกมันลวงเรามันหลอกวันนั้นวันบ้างมันบอกหลอกวันนี้บ้างเอาอยู่อย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าขาดการกําหนดขาดการพิจิจารณาเออ อันถึงว่าการภาวนาในการนิจพิจารณาให้รู้ทันกนอุบายของกิเลสมันอยากไปเราก็ต้องพิจารณาดูเสืยก่อนว่าไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์ไหมมันจะทำให้เราเสียไหมไม่ได้เสียแต่เราเสียทั้งหมู่คณะนั่นแะ เห็นไม่ดูดูถ้าเรามีสติปัญญาพินิษพิจารณาให้มันไกลไกเราก็ไม่สามารถจะกระทาความชั่วได้นะคนเราถ้าเราคิดแค่ปลายจมูกใกล้ๆเนี้ยมันสามารถทําได้ทุกอย่างนั่นแหละคนเราถ้าไม่มีสติถ้าไม่ไมีไม่มีการพินิษฐพิจารณาแล้วเราจะทําอะไรเราก็ต้องดูดูเราเสียก่อน ดูเราแล้วก็ดูพ่อดูแม่ดูวงตะกูลของเราเออไม่ใช่ว่ามันเกิดเสียแต่เราคนเดียวเออเสียไม่เสียแต่เราคนเดียวเสียทั้งตะกูลทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องเ อ, อและทั้งหมู่คณะด้วยนั่นน่ะถ้าเรากําหนดพินิจพิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะทำกลมชั่วได้ที่มันทําได้นี่มันไม่ได้กําหนดไม่ได้พินิจพิจารณาเลยเ อ, อเขาอยากอะไรกับไปเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้น คือเพราะว่าเราไม่มีสติเราไม่มีสิ่งที่ควบคุมเวลานอนก็ไม่มีสตินั่นนอนอถึงเวลานอนก็นอนออไม่มีข้อวัดไม่มีการไหว้พระสวดมนต์นั่นะเละเการประเพื่อปฏิบัติสายกรรมฐานสายประพื่อปฏิบัติเขาไม่ได้ดูกันไกลหรอกดูกันข้อวัดข้างนอกถ้าข้อวัดข้างนอกมันสมบูรณ ไม่ต้องไปถามเราก็วัดภายในคือการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเออนั่นอ่ะไม่ต้องไปถามมันสมบูรณ์แล้วเออเพราะรู้หน้าที่ของเจ้าของอยู่ใ น, นลักการประพฤติปฏิบัติเออฉะนั้นอ่ะเพื่อมันก็ไม่มากมายกายกองเราเออถ้าเราทำข้อวัดเออให้ของเราให้มันสมบูรณ์ไม่ว่าเป็นฆราวาสก็ตา ม, มเราก็ต้องมีข้อวัดเออมีจิตที่จะทํา ทำเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของร่างกายนั่นแหละเออนั่นแหละร่างกายนี้จะไปปล่อยไปอย่างไปทางอิริยาบถเดียวก็ไม่ได้ต้องใช้ทั้งสีาบะอิริยาบถต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยนั่นแหละเพราะอะไรละ่ะถ้านั่งนานมันก็ทุกข์ถ้ายืนนานมันก็ทุกข์ถ้านอนนานมันก็ทุกข์เห็นไหมเออนั่นแหละความทุกข์แต่เราไม่ได้กาหนด เรากลัวเออยากแต่จะให้มันมันหายอยากมันเกิดทุกข์ขึ้นมาเวลาเรามานั่งเนี่ยเราไม่กําหนดไม่กําหนดพชนิดพิจรารณาท่านว่าดทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดแยกแยะที้คลายให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขาการนั่งต้องให้มันเลยทุกทุกคเวทนาใหญ่เออมันจึงจะเห็นธรรมถ้านั่งฝาเดียวปาเดาว มันก็ไม่ได้เห็นมันก็ได้แค่นั้นแหละแค่ประเดียวกระดาววันไหนมาก็ได้แค่นั้นวันไหนมาก็ได้แค่นั้นเออเวลาเราออกจากที่ออกจากหมู่จากคณะเราก็ไม่ไม่อยากทำแล้วมันอันนี้ทำทำเพื่อเพื่อหินท่านทำก็ทาก็เผาเออนั่นเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ได้อะไรบวชมาเท่าไรเท่าไรก็อะไรก็ไม่ได้นั่นอ่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัต ถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอยู่ที่ของเราหรือว่าไปอยู่คนเดียวนเนี้ยเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่งเดินโยมกลมภาวนานั่งทินิทพิจารณาอยู่นั่นดูใจของแต่ละบุคคลนั่นแหละดูใจของเราเน่ะเวลามันคิดไปทางชั่วเราก็พยายามมีเบรกข้ามล้อมันไว้บ้างเออความชั่วมันก็จะไม่ได้เข้ามาสิงอยู่ที่ใจของเรา <c oughs> ถ้าเราไม่มีเบยกห้ามล้อมันก็สะสมอยู่นั่นแหละเออพาใจของเราขุ่นมัวใจของเราเศ้าหมองไม่ในเศ้าหมองแต่จใจทั้งร่างกายเขาเศ้าหมองด้วยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจมันไม่เบิกบานใจมันไม่เป็นสมาธิให้เรานั่งดูสิตั้งปัจจรดูลองดูการนั่งภาวนาเนี่ยเมื่อเรานั่งเมื่อจิตมันเป็นสมาธิแล้วเราไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอก เอออันนั้นไปถามเอาอันนั้นมันเป็นสัญญาเออสัญญาความจามันเป็นสัญญานิจามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรานั่งกำหนดเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันอิ่มรู้สึกว่าอิ่มลายพวกไอ้ร่างกายเนี่ยไม่มีความหิวความหวยหรอกเออนั่งมันอิ่มตลอดรุ่งเลยแหละนั่นมันเป็นอย่างนั้นเอ่ที่มันจะผ่านนั้นได้ก็เพราะเรามีความอดทนอดกั้นเออให้มันผ่านไป เราไม่เปพะวงในร่างกายกว้องสอกจาวานาเคลืบเนนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเออความเก็บความปวดมันก็มีอยู่แล้วเออมันมีอยู่ประจําโลกเราจะเกิดขึ้นมาก็ตามให้เกิดขึ้นมาก็ตามถ้าเราตั้งปัจจะแล้วก็นั่งเลยกําหนดทินิทพิจารณารวบรมปฏิลมจะพิจารณากําหนดลมบ้างหรือว่าจะกําหนดคําบริกรรมบ้างเมื่อกําหนดเข้ากําหนดเข้าจิตมันละเอียดเข้าเละเอียดเข้า คำบุพ陀นันไม่ต้องไปว่าหรอกเอออืมพอนึกพอกำหนดเข้ามันมันเท่าที่ของมันเองนั่นเป็นงนั้นการแบบการนั่งภาวนาเนี่ยมันสงบของมันเองเนี่ยฉะนั้นเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยเออถ้าเราไม่ต้องออกเสียงหรอกกำหนดเลยใจให้มันใจใจของเราเป็นสมาธิมันจะพุ่งพุ่งของมันเองไปเลยนั่นน่ะเออนั่นน่ะที่พูดให้ฟังแล้ว ถ้าเราไม่ทําเราไม่เคยทําเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราขี้เกียจเราไม่มีความอดไม่มีความทนเออนั่นตัวอย่างนั้นถ้าเรามีความอดความทนเราทําทําลองดูมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันรู้รู้ของมันเองมันเป็นของมันเองนะั่นน่ะท่านว่าการภาวนาเนี่ยสิ่งที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นเออสิ่งไม่เคยเป็นมันก็เป็นคือของมันเองแต่เราอย่าไปหลง เพราะช่วงนี้มันยังตกอยู่ในภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่มันยังไม่ได้เป็นธรรมแท้ยังไม่ได้เป็นวิมุตติธรรมยังไม่ได้จิตใจของเรายังมันหลุ ด, ลดยังไม่ได้พ้นแต่าานั้นหลวงปู่เทศท่านจึงว่าการกาหนดพินิจพิจารณาใจมันจะเป็นสมาธิหรือมันจะเห็นธรรมมันจะหลุดพ้นมนกับหลุดพ้นครงเดียวนั่นแหละแต่มันไม่ลืม เพราะมันมันรู้อยู่มันเห็นอยู่มันมันรู้ของมันอยู่เวลากําหนดเข้าไปมันก็ไปเห็นของมันอยู่นั่นมันเป็นอย่างนั้นพอไปกําหนดไปถึงขั้นนั้นแหละใจมันสบายอ่าอดโปงไม่มีความทุกข์เวทนาเลยแหละเออนั่นเป็นอย่างนั้นมันปล่อยวางของมันเองนั่นมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นท่านจึงให้เตรียมตัวไว้ก่อนก่อนที่เราจะละสังขารหรือว่าเราจะตายจากสังขารนันนี้ไป เมื่อความตายเข้ามาถึงหรือว่ามาจัมาจุราชเข้ามาถึงเราก็พยายามกําหนดละบันพินิพิจารณาอนุโลมปฏิโลมเราไม่ได้สทกสถท้านแล้วเพราะเราได้เตรียมตัวไว้แล้วเออเราไม่ได้กลัวแล้วความตายเนี่ยฉะนั้นท่านจึงว่าให้กําหนดพินิจจารณามรณงคือความตายเราต้องมีความตายเป็นแน่เออกําหนดอยู่นั่นแหละเอาเอาคํานี้มาบริกรรมก็ได้มรณงมรณงความตายเพราะ คนเรามันกลัวตายอยู่แล้วนั่นะเมื่อกำหนดเข้ากำหนดเท้าจิตมันเป็นสมาธิเพราะจิตมันก็กลัวตายเหมือนกันแต่มันไม่ตายนะถ้ายังมันมีเชื้ออยู่มันก็ต้องออกจากร่างนั้นไปสู่อีกร่างหนึ่งแต่วงหาที่เกิดใหม่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นมนุษย์ได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากมันก็ไปสู่ทุกขติถ้าไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้ทาอะไร เอาจจะสร้างแต่บาปแต่กรรมหามแต่บาปแต่กรรมหามแต่ความชั่วเข้าใส่ใจมันกลับไปสู่ทุกขตินั่นแหละมันเป็นอย่างล้านใจเนี่ยมันไม่ไม่ไปนั่นอ่ะมันไม่นั่นมันต้องเกิดเพราะมันยังมีเชื้ออยู่เนี่ยฉะนั้นนั่นจึงว่าให้กําหนดให้พิจารณากําหนดทีนี้พิจารณาเรียกว่าตาบะธรรมแผลเผาให้มันให้มันแห้งเหมือนกับเราเผาเรือเราปีหรื อ, เ, อ, เ, รอเราปิ้งอาหารนี่แหละ แต่มันคนละอย่างเอออันนี้เรามากําหนดพินิจพิจารณาไม่ต้องเอาไก่หรอกเอากุ้งตอกยาวาหนาเื่อพี่แหละถ้าออกไปข้างนอกมันมั น, ม, นมันเป็นนอกอยู่เราวกเข้ามาข้างในเออให้มันเห็นอย่างความท่านว่าเป็นความไม่สวยไม่งาม อ, อ่าตรงไหนมันไม่สวยไม่งามเออเราไปยึดไปติดตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นเรามาพินิจพิจารณ า, วาความเป็นของไม่สวยไม่งาม มันงามไม่งามอย่างไงเออเราก็กําหนดพินิจพิจารณาอยู่นั่นเมื่อเรากําหนดพินิจพิจารณาอยู่มันจะเกิดขึ้นตามสภาวะความเป็นจริงของเขาได้เกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละใจมันจะรู้ใจมันจะเห็นเองเมื่อใจมันรู้ใจมันเห็นแล้วมันไม่ลืมเอสิ่งเหล่านี้อย่างเวลาเรานั่งจิตมันเป็นสมาธิจิตมันสงบมันสบายอย่างเงี้ย เราไม่ลืมเออมันเป็นอย่างนั้นเออต้องต้องทําให้มันได้เสียก่อนจึงจะรู้ถ้าพูดให้ฟังเฉยเฉยมันก่อนมันก็ไม่เข้าใจเออนั่นมันเป็นอย่างนั้นแต่ตเราต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นเออนั่นน่ะมันจึงจะเกิดมันจะมัจะมีได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีความอดความทนเออมีแต่ความขี้เกียจที่ค้านสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้น ถึงว่าทำว่าทำมีอยู่แต่ทำก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นที่ไหนแหละมันเกิดเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนี่นะก่อนพระพุทธเจา้าตรัสตรัสรู้นท่านก็ไม่ได้ไปหเหาะเหินเดินอากาศไปที่ไหนท่านก็นั่งอยู่ที่ต้นโพเพิกนั่นแหละท่านนั่งกำหนดพินิษฐิจารณาท่านก็รู้อยู่ที่ใจของท่านนั่นแหละเออใจของท่านก็นโลง่งรู้การจุตติการเกิดเออของสัตว์ทั้งหลายกำหนดพินิษพิจารณา แล้วก็ย้อนอนุโ <c oughs> ลมปฏิโลมเอ่อถอยเข้าถอยออกมาดูตัวเองบ้างมาดูดูข้างนอกบ้างอนุโลมปฏิโลมให้ให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วตามสภาวะความเป็นจริงเราก็ไม่หลงท่านเรียกว่าเกิดนิธิภาความเบื่อหน่ายคลายความกําหนัดไม่หลงในจริงเหล่านั้นแล้วเราก็ไม่ อยากจะมาแบกมาหามแล้วมันเป็นภาระเออการแบกกามหามในขันห้าเนี่ยทีน่นิพพิพจรารณาดูสิเราเป็นภาระมันตั้งตั้งแต่วันเราเกิดนะเออตั้งแต่เราช่วยช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ใส่พ่อใส่แม่อาใส่พี่เลี้ยงเมื่อเราช่วยตัวเราได้แล้วก็เอาเอาตัวของเราไนปะช่วยตัวเราเองเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยเออนั่นเป็นเรื่องของธรรมดา เมื่อมันถึงเวลามันเป็นก็เป็นของมันเออนั่นเมื่อเราช่วยเราไม่ได้เราก็อาศัยคนอื่นช่วยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรละ่ะเพราะเรากลัวตายเราหวงเราห่วงอยู่เราก็เลยไม่อยากหนีเออเราได้อันนี้แล้วท่านว่าเป็นของปฏิกูลโสโคกเราก็ไม่เห็นเออเพราะเราหวงเราหว่วงเพราะมันเป็นของดีอยู่นั่นมันเป็นอย่างนั้น สิ่งที่ดีกว่านี้ท่านบอกว่ามีอยู่เราก็ไม่ได้กำหนด ใ, หในอน้อมนำมามาพิณิพิจารณามันก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเป็นอย่างนั้นก็หลงอยู่อย่างนั้นเออเกิดมาพบนี้พบหน้ากับวนเวียนอยู่นั่นนั้นเหมือนกับไอ้มดส้มใต่ขอบดง้งเราเคยเกิดก็ไม่รู้ว่าเราเคยเกิดวนเวียนอย่าง น, น, นั้นเป็นอย่างนั้นท่านว่าให้ตัดวัตะ บ, บนเออตัดอยู่ที่ไหนล่ะ ตัดอยู่ที่ใจได้แหละใจนั้นละมันเป็นสังขารปรุงแต่งอยู่นั่นนะ่ะเออมัวหลงง ม, มงยอยู่นั่นนะ่ะเพราะใจตัวนี้แหละเราพยายามกาหนดออขัดมั น, ว, นวันนั้นบ้างวันนี้บ้างออทีแรกมันก็ขัดยากเพราะวันมันเป็นของหยาบเออทีแรกมันก็หยาบนแเละเอออย่างเขาจะสร้างบ้านสร้างเรือนนั่นแนะเขาก็ต้องเอาไม้ค้อนใหญ่ๆแล้วมาแปรสภาพเสือก่อน เมื่อแปรสภาพเป็นตัวเป็นอ น, น, นั้นแล้วก็ก็จะเอาขึ้นมาตีมาทําให้มันก่อนจะได้อยู่ก็ต้องทําให้มันละเอียดอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยการประิปฏิบัติถึงมันจะทุกข์เออมื่อก็ทุกเรื่องของการทุกขออ์มันก็มีอยู่แล้วเออทุกข์มันก็ไม่ได้เสียผลอะไรมีแต่ได้กําไรนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเอาเออสิ่งนี้มากําหนดมาในพินิจพิจารณา เราก็ไม่มีความที่เจ็ที่ค้ายอะไรบ้างอย่างเราทุกข์เราทํางานอื่นเราก็ทุกข์เออเราก็ทนทุกข์ตู้มาเอออย่างเราแบกคอนใหญ่ๆแล้วก็แบกได้เออไม้ตัวใหญ่ๆล้วก็แบกได้เราก็สามารถทนทุกข์ได้เวลาเรามานั่งกําหนดทีนี่พิจารณามันหนักไปบ้างมันเจ็บไปบ้างเราก็ทนเอาเออกาหนดทีนี่พิจารณาแยกแยะที่คาย เมื่อเรากําหนดพินิษฐ์พิจารณาแยกแยก่อยที่ใครสิ่งเหล่านั้นเราไปไม่ไปยึดมันเราก็ปล่อยวางได้มันก็สบายละบันความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นความสุขมันก็เข้ามาแทนแต่อย่าให้เป็นปฏิความสุขความสบายหลงอยู่นั้นแหละ ท่นใ ห, ให้ย้อนออกมากำหนดพินิพิจารณาแยกแยะที่คายให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงให้มันเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายเออว่าอันนั้นมันสวยอันนี้มันสวยมันสวยตามที่เราคิดไหมแล้วก็กำหนดแยกแยะที่คายดูเอออย่างเนื้ออย่างหนังอย่างนี้เราหวงเราเห็นนักเออว่ามันสวยมันงาม ที่แร ก, กําหนดของคนอื่นนั่นแหละก็น้อมก็มาหาตัวอีเออดูตัวของเราบ้างดูตัวของคนอื่นบ้างเนี่ยถอยออกถอยเข้าจิตมันก่อนที่แรกมันก่ออะทางไม่เคยเที่ยวมันก่ยากมันก็ลําบากเหมือนกันนะทำให้มันกําหนดอย่างนั้นมันไม่ชอบมันชอบเพลินไปข้างนอกหลงไปข้างนอกตามสัญญารมเออแล้วแต่สิ่งไหนมันชอบมันก็ไป เพราะเราไม่มีสติเราไม่มีเบรคข้ามล้อมันมันนี้เราถึงเวลาเราก็มาจะกําหนดพินิจพิจารณามามีเบรคข้ามล้อมันสิ่งมันชั่วเราก็ไม่พามันไปเออไม่พามันทําสิ่งดีเราก็พยายามอพฤติปฏิบัติให้มันเจริญขึ้นเมื่อมันเจริญขึ้นแล้วก็ให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นใจเราก็เบิกบานอะล่ะมันใจเราก็มีแต่ความสุข นั่งก็มีแต่ความสุขยืนก็มีแต่ความสุขไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกละจากโลกนี้ไปก็มีแต่ความสุขโลกที่ไหนล่ะก็หมายถึงโลกกว่างศอกยาวานาคืบนั่นแหละเราก็เป็นโลกอันหนึ่งเออนั่นน่ะไม่ใช่ว่าแผ่นดินนี้เป็นโลกนะอันั้นโลกของเราเนี่ก็โลกอันหนึ่งแลละกว่างศอกยาวานาครืบนี่แหละนั่นล่ะให้เรากําหนดพินิจพิจารณาดูเออ คนตายเนี่มีประโยชน์ไหมเออถ้าเรากําหนดมาพิณิพิจารณาเออให้แยกแยะขี้คายมันก็เกิดประโยชน์เรียกว่าเกิดกรรมฐานขึ้นที่ใจของเรานี่ยนะเหตุฉะนั้นท่านจึงว่าให้ไปเยี่ยมเยี่ยมปา่าช้าไม่ได้เราไปเยี่ยมปา่าช้าเราเดี๋ยวนี้ป่าช้ามันไม่ค่อยมีเราก็มาเยี่ยมปา่าช้ากว้งศอกยาวานาคืบนี่แหละอันนี้แหลปะป่าช้านใหญ่แล้วแหละเอออะไรอะไรก็รค้นเข้ามาอยู่ในเนี้เออ ไม่จะทราบอะไรต่อทราบอะไรเนี่ยอยู่ในนี้ดีแบบมันสวยไหมมันงามไหมมันเป็นสิ่งที่น่าดูไหมมันเป็นเป็นสิ่งที่น่าหลงใยไหมแล้วก็กำหนดพินิพิจารณาให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อเห็นอันสภาวะความเป็นจริงใจของเราก็ไม่หลงไม่มัวเมาเราก็ไม่ประมาทเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีหน้าที่ เราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีหน้าที่การงานเราก็รับผิดชอบมันไปเสียเออเมื่อถึงเวลาเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่นละ่ะเราจึงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเกิดขึ้นมาพบหนึ่งชาติหนึ่งเออนั่นละ่ะเราผลได้แต่กาไรเลยนะท่านจึงอุปมาประมัคนเกิดขึ้นมาแต่ละบุคคลนั่นเหมือนกับมาค้าขายถ้าเราขี้เกียจเออเราไม่ขยันเราค้าขายก็ขาดทุนเสียถ้าเราขายันมันเพียน ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีเราก็ได้แต่กําไรแล้วบัดเออมีประโยชน์เออนั่นมันเป็นอย่างนั้นการที่เราเกิดขึ้นมาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็มาสอนลงที่ใจของมนุษย์นี่แหละไม่ได้ไปสอนที่อื่นงัวควายปลาเขาต้นไม้ภูเขาเหล่ากาท่านก็ไม่ได้ไปสอนสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ท่านสอนลงที่ใจของมนุษย์ เธทำของพระพุทธเจ้าเนี่สมควรเจ่ใจของมนุษย์สามารถประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีได้เออนั่นเป็นอย่างนั้นต่อไปนี้ให้เราตั้งใจกำหนดจนสมควรเจรเวลาแต่แต่อย่าไปกำหนดให้มันถึงเวลานะเนี้ยใจมันจะเกิดทุกข์เออปล่อยให้มันสบายสบายกำหนดพินิจพิจารณา <c oughs> ให้มันเห็นตามสภาว่าความเป็นจริงเราก็ไม่หลงละบันให้นั่งไปจนสมควรแจรเวลาเมื่อถึงเวลาเราก็ออกออกลับไปที่พักของเราเราก็ตั้งใจไปเปลี่ยนอิดยาบทใหม่เดินจุกรมบ้างนั่นหรือเราจะไหวพ้พระหรือเราจะท่องหนังสือ ทีไหนเราไม่ได้ไม่ได้เราก็พยายามท่องให้มันเกิดให้มันมีขึ้นเพราะเราอาศัยโลกเขาอยู่เออสิ่งนี้สิ่งเหล่านี่เราใช้ายอยู่เราก็พยายามท่องให้มันนั่นให้มันขึ้นใจไว้ถึงเวลาเราใช้เราก็จะเอาขึ้นมาใช้เลยนั่นอันนี้ล่ะต่อไปกาหนดต่างคนต่างกาหนด ใจเจิงมากไปกดมากมันหนักนเลยเป็นทุกข์มันเจ็บก็เป็นเรื่องของมันเจ็บจะใมัมาทุกข์อยู่ที่ใจการเจ็บป่วยกว็เหมือนกันถ้าเราไม่หายใจมันป่วยด้วยมันไม่เป็นไร <c oughs> มันเรื่องของร่างธาตุต่ า, างกายของเขาเฉยอืมถ้ามันจะอยู่ไม่ได้เราก็สละไปเสีย มันแค่นั้นเออเราจะไปเสีดมเสียดาย เ, เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติโลกไม่เสริมแ่ ส, บสมบัติของเราเรามาอาศัยเขารสว่างช่วยอายุขัยแค่นั้นนถ้าเราสร้างบุญกุศลไว้ปังก่อนมากเราก็ได้คลองอยู่ได้นานหน่อยถ้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเราสร้างบุญสร้างกุศลน้อยเราก็ได้คลองน้อยมันเป็นอย่างนั้นเออ แล้วกด้สร้างคือ ง, งามความดีได้น้อยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราประมาทก็ยิ่งขาดทุนใหญ่นั่นเป็นอย่างนั้น